พระบัญญัติ425ก็ภิกษุเป็นคนว่ายากอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมในสิ่ขาบทที่มาในอุเทศกลับทาตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้โดยกล่าวว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรผมไม่ว่าดีหรือเลวถึงผมก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรพวกท่านไม่ว่าดีหรือเลวเหมือนกัน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 เรื่องพระช น, นะจบ